แล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่งางหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่งางหนักแน่นออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่งางหนักแน่นพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่งางหนักแน่นบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขที่เป็นภายในตนหาทายวัตุขันธ์ที่เป็นภายในตน ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตาสมุทฐานรูปโดยธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียว คืออารมณนาธิปติได้แก่บุคคลอื่นยินดีเพลิดเพลินจากสุที่เป็นภายในตนหาทายวัตถุขันธ์ที่เป็นภายในตนให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นสามสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยทิปติปัปปจจัยมีสองอย่าง คืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่บุคคลอื่นให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนงักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมวิดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างห น, นักแน่นออกจากฌานพระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามรคให้เป็นอารมณ์อย่างหน roid, ักแน่นพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น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 อธิปดีธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สัมประยุติขันและจิตตสมุฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมนาธิปติได้แก่พระอริยะพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผล โดยที่ปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขที่เป็นภายนอกตนหาททยวัตถุขันธ์ที่เป็นภายนอกตนให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุ่เป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัย3สสองสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตน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 ในวาสัญญานาสัญญายัตนณะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแข่พล ะ, ะสมาบัติโดยอนันตรัปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอนันตรปัจจัยข้อว่าขันธ์ที่เป็นภายนอกตนซึ่งเกิดกรนกรนดังนี้เป็นข้อแตกต่างกันข้อนั้นแหละพึงดำเนินตามความข้อความข้างตน้น สมณันตระปัจจ mm ัยเป็นต้นสาสบสาสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยสมณันตระปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยชาชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยสาสิบสสภาวธรรมที่เป็นภายในตน เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอุ ป, ปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณู ป, ปาณิสยอันันตรูปปาณิสยและปกระตู ป, ปนิสยปกระตูปาณิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นภายในตนแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถธรรมฌานวิปัสสนามัจอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n นะเถอทิฏฐิ บุคคลอาศัยศีนที่เป็นภายในตนปัญญาราคะความปรารถนาะสุขทางกายทุกข์ทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานทำสมมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่ า, า ong, สัตว์ทำลายสงศ์ศรัทธาที่เป็นภายในตนปัญญาราคะความปรารถนาะสุขทางกายทุกข์ทางกายเสยนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นภายในตนปัญญาราคะ ความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายมรรคและพระสมาบัติโดยอุปาินสยาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอุปาเนสยาปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณูปาเนสยาและปะกะตูปาเนสยาปป ะ, ะตูปาเนสยาได้แก่บุคคลอื่นอาศัยศรัทธาที่เป็นภายในตนแล้วให้ทานมีมา n ะเถอทิฏฐิ บุคคลอื่นอาศัยศีลที่เป็นภายในตนเสนาสะนะแล้วให้ทานฆ่าสัตว์ทำลายสงศธาที่เป็นภายในตนเสนาสะนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นภายนอกตนมรรคและพระสมาบัติโดยอุปิเนสยปัจจัยสาสหสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอุปาเนสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปาเนสย อนันตรูปะนิสยาและประกระตูปะนิสยาปะกรตูปะนิสยะได้แก่บุคคลอื่นอาศัยศรัทธาที่เป็นภายนอกตนความปรารถนาสุขทางกายเสยนาสนะแล้วให้ทานทำลายสง์ศรัทธาที่เป็นภายนอกตนเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นภายนอกตนพละสมาบัติโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอุปาินสยปัจจัยมีสองอย่างคืออาราโมปะนิสยะและปกระตูปนิสยะปกระตูปะนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นภายนอกตนไสยนาสนะแล้วให้ทานทำลายสงศ์ศรัทธาที่เป็นภายนอกตนเสยนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นภายในตนภะละสมาบัตโดยอุปาินสยปัจจัย ปุเรชาตะปัจจัยสาสิบสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณบุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณบุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุที่เป็นภายในตนหาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโทมณจึงเกิดขึ้น บุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุ่ฟังเสียงด้วยที่ประสงคทาตรธาธรูปรายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่คลายวิญญาณโดยปุเรชาติปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณกายายตะนะเป็นปัจจัยแก่คายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จจขันที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาติปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาติปตัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลอื่นเห็นแจ้งจากสุที่เป็นภายในตนหาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรูปายตนะที่เป็นภายในตน เป็นป yeah, flaws, the the ัจจัยแก่จักขวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโพธพายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตะปัจจัย 37. สสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตและวัตถุปุเรชาตอารมณปุเรชาตได้แก่ บุคคลอื่นเห็นแจ้งจากสุที่เป็นภายนอกตนหาทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตทาตรูปายตนะะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขลุวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโผล่ถัายตนะะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนวัตถุบุเรชาตะได้แก่จักคล้ายตรณะที่เป็นภายนอกตน กายายัตนะหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแข่ขันที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาตะปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณ์ปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุที่เป็นภายนอกตนหาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงธมนะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขลุ ฟังเสียงด้วยที่ผสมท่าทัดรูปายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแขกจากภูวิญญาณที่เป็นภายในตนโพธายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาติปัจจัยสาสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณพุเรชาต และวัตถุุเรชาตะได้แก่รูปายตนะที่เป็นภายนอกตนและจักขายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณที่เป็นภายในตนโดยบรชาตะปัจจัยโพธภายตนะที่เป็นภายนอกตนและกายายตนะที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายในตนรูปายตนะที่เป็นภายนอกตนและหัยวัตถุที่เป็นภายในตน โภถพายัตะนะที่เป็นภายนอกตนและหาเทววัตถุที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายในตนโดยปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะได้แก่รูปายัตนะที่เป็นภายในตน และจักรยายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแห่จักรวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาติปัจจัยโพธพายตนะที่เป็นภายในตนและกายายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่งกายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยปุเรชาติปัจจัยรูปลายตนะที่เป็นภายในตนและหาไทยวัตถุที่เป็นภายนอกตนโพธพายตนะที่เป็นภายในตน และหาทายวัตถุที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแขกันที่เป็นภายนอกตนโดยป energia, Lawrence, ัจจัยชาตะปัจจัยสามสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยปัจจาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นภายในตนซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแขกไฟนิทิขเวกอร์นโดยปัจจาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยปัจฉาชาติปัจจัยได้แก่คันที่เป็นภายนอกตนซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่คลายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาติปัจจัยอาเสวณะปัจจัยสี่สิทสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอาเสวณะปัจจัยได้แก่คันที่เป็นภายในตนซึ่งเกิดก่อน เป็นปัจจัยแค่ขันที่เป็นภายในตนซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเสวนปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแค่โคต ร, รภูอนุโลมเป็นปัจจัยแคร่โวทานโคตร ภ, รภูเป็นปัจจัยแค่มรักโวทานเป็นปัจจัยแค่มรักโดยอาเสวนปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอาศวนปัจจัยได้แคร่ขันที่เกิดเคงกอน เหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นภายในตนนั่นเองกรมมปัจจัย๔๑สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยกรรมะปัจจัยในสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจชนาที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทนานรูปโดยกรรมะปัจจัยนานาคณิกะได้แก่ เจตนาที่เป็นภายในตนเป็นปัจจจยแก่ขันธ์ที่เป็นวิปากซึ่งเป็นภายในตนและกตะตารูปโดย k a r ปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจจยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยก a ม m ปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนาณาคเิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจจยแก่สัมุตตระขันธ์และจิตตสมุทารูปโดย karma ปัจจัย นานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิปากซึ่งเป็นภายนอกตนและกะตาตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากะปัจจัย42สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยวิปากะปัจจัยพึงทำให้บริบูรณ์เหมือนกับปฏิจจวาระอาหารปัจจัย43 สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในตนโดยอาหารับปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันและจิตตะสมุทฐานรูปโดยอาหารับปัจจัยในปฏิสนธิขณะกวเลียงปราหารที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายในตนโดยอาหารับปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตน โดยอาหารับปัจจัยได้แก่เกาลิงกระหานที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายนอกตนโดยอาหารับปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอาหารับปัจจัยเพิ่มเพิ่มปวัติการและปฏิสนธิการได้แก่เกาลินกระหานที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายนอกตนโดยอาหารรับปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอาหารรับปัจจัยได้แก่เกลเลี้ยงกรหานที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายที่เป็นภายในตนโดยอาหารับปัจจัย44สภาวธรรมที่เป็นภายในตนและสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอาหารับปัจจัยได้แก่เกลเลี้ยกรหานที่เป็นภายในตน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 45สภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอินทรียปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นภายในตนพึงขยายรูปประชีวิตอินทรีย์ให้พิสดารเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรคราปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิปยุตตปัจจัยมีสมอย่างคือชาชะตาบุเรชาตะและปัจชาชาตะ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 อธิปัจจัย46สภาวะธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัยมีหอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะมหาระและอินทรียะสหาชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปขันธ์สองในปฏิสนธิขณะขันธ์เป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุ หทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันมหาภูตรูปหนึ่งสำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรมมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแข่มหาภูตรูปสามปุเรชาตะได้แก่เห็นแจ้งจากสุหาทายวัตถุปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตะปัจจัยหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นภายในตน เป็นปัจจัยแฉกคลายนที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยเกาลื่นคาราหานที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแฉกลายที่เป็นภายในตนรูปปัจจวิตินสีเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือปุเรชาตะและอาหาระปุเรชาตะได้แก่บุคคลอื่นเห็นแจ้งจากสุที่เป็นภายในตน อาเทวตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประสสตธาตุรูปายตนะที่เป็นภายในตนโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่ยายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัย เ, เราเลียนกราหานที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่ยัตที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัย47สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือชาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนไม่มีข้อแตกต่างกันพึงขยายบทมัติกาให้พิจารณาสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือปุเรชาตะและอาหาระ ปูเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุที่เป็นภายนอกตนหาทายวัตุเห็นรูปด้วยทิปจักขุฟังเสียงด้วยทิปโสตธาตุรูปายตนะที่เป็นภายนอกตนโพธพายตนะเป็นปัจจยัยแกลไลยะวิญญาณที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจยัยโกเลิงกราหานที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจยัยแคลไลที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจยัย48 สภาวธรรมที่เป็นภายในตนและสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือปุเรชาตะและอาหาระปุเรชาตะได้แก่รูปายตนะที่เป็นภายนอกตนและจักสุที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณที่เป็นภายในตนโภทะพายตนะที่เป็นภายนอกตนและกายายตนะที่เป็นภายในตน เป็นปัจจัยแค่์แลยวิญญาณที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจจัยรูปลายตนะที่เป็นภายนอกตนและหาทยวัตุที่เป็นภายในตนโพธภพายตนะที่เป็นภายนอกตนและหาทยวัตุที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแค่ขันที่เป็นภายในตนโดยอธิปัจัยอาหาระได้แก่กรวลิงกราหานที่เป็นภายในตนและกวลิงกรลาหานที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กลายที่เป็นภายในตน โดยอธิปัจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและสภาวธรรมที่เป็นาาภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจใจมีสองอย่างคือบุเรชาตะและอาหาระบุเรชาตะได้แก่รูปายตนะที่เป็นภายในตนและจักขายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจใจโผพธพายตนะที่เป็นภายในตน และกายายตนะที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยรูปายตนะที่เป็นภายในตนและหทียวัตถุที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยโภถายตนะที่เป็นภายในตนและหทียวัตถุที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นภายนอกตนโดยอธิปัจจัยมหาระได้แก่ เกรียกลกราหานที่เป็นภายในตนและเกรียกลกราหานที h h h h ่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแฉกกายที่เป็นภายนอกตนโดยอัิปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตะปัจจัยและอวิคตะปัจจัยสี่สิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัยหนึ่ง ปัจญานุโลมสองสังคยาวาระสุทไนห้สเฮตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจใจมีสี่วาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาติปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสองวาระ อุปาณิสยปัจใจมีสี่วาระบรชาตปัจจัยมีหวาระปัจฉาชาตาปัจจัยมีสองวาระอสิวะปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจใจมีสองวาระวิปากปัจจใจมีสองวาระอาหาราปัจจัยมีหวาระอินทรียปัจจใจมีสองวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตปัจจใจมีสองวาระ วิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีหกวาระนัตถิปัจจัยมีสองวาระวิคตะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีหกวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัญนียุทธาระห้าสิบอดสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นภายในตนโดยอารมณ์ปัจจัย ชาชาติปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยพรรมปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนโดยอารมณปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาติปัจจัยและอาหาระปัจจัยห้าสบสองสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตน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 ห้าสิบสาสภาวธรรมที่ yes. umm mm. เป็นภายในตนและสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายในตนมีสองอย่างคือบุเรชาตะและอาหาระสภาวธรรมที่เป็นภายในตนและสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนมีสองอย่างคือบุเรชาตะและอาหาระสองปัจยะปัจจนียะ สสังขยาวาระห4านเหตุปัจจัยมีหกวาระนอารรมณปัจจัยมีหกวาระนัอธิปติปัจจัยมีหกวาระย่อทุกปัจจัยเพื่อเพิ่มปัจจัยละหกวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระโนอธิปัจจัยมีสี่วาระโนนาทิปัจจัยมีหกวาระโนวิคตาปัจจัยมีหกวาระโนอวิคตปัจจัยมีสี่วาระ พึงนับอย่างนี้ปัจจิยะจบสปัจจญานุโลมปัจจิยะเฮตุทุกขไนห้าสิบห้าณารมณปัจจใจกเพตุปัจจัยมีสองวาระณัอธิปติปัจจัยละถึงมีสองวาระณอนันตระปัจจัยมีสองวาระณสมนันตระปัจจัยมีสองวาระณอัญญมัญญะปัจจัยมีสองวาระณอุปาเนสียปัจัจมีสองวาระ ย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตปัจจใจละถึงมีสองวาระโนนาธิปัจจัยมีสองวาระโนวิคตาปัจจัยมีสองวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญิยะจบสปัจญิยะปัจจนญาอนุโลมห้าสิบหก อารามณปัจจัยกับนาเหตุถกปัจจมีสี่วาระอธิปฏิปัจจัยละถึงมีสี่วาระพึงนับบทอนุโลมอวิคตะปัจจัยมีหกวาระพึงนับอย่างนี้ปั จ, จนียานุโลมจบปัญหาวาระจบอชตตตะติกะจบ อาเชตาระมณติกะหนึ่งปฏิจะวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นอาศัยขันสอง ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหน no <de> ึ่งที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่ง ที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นอาศัยขันสองอารมณปัจจัยเป็นต้น 2. สภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจใจละถึงเพราะอาวิคตปัจจัยย่อ 1. ปัจจญานุโลมสองสังคยาวาระสา อารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระป yeah. าวิคตะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจยยะปัจญจิยะหนึ่งวิพังขวาระและเหตุปัจใจสี่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้น เพราะหน้าเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นอาศัยขันสองโมหะที่จะหัรูคตด้วยวิจิกิจฉาและที่จะหัรูคดด้วยอุทัจฉาอาศัยขันที่จะหัรูคตด้วยวิจิกิจฉา และที่สหโรโคด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตอนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตอนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะน่ะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามสายขันหนึ่งที่เป็นอหติตกะซึ่งมีธรรมภายนอกตอนเป็นาอารมณ์เกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอ ห, หิตกะโมหะที่สหโรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทจจะ อาศัยขันที่สหรคปด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคปด้วยอุทะเจเกิดขึ้นณอธิปติปัจจัยเป็นต้นห้าสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับสหาชาตปัจจัยในอนุโลมไม่มีข้อแตกต่างกันเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิ อาศัยขันหนึ่งที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ในปฏิสนธิคณะหสภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตอนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที Plug ่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนภุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขนันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีธรรมภายนอกตอนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพราะนปัจชาชาตปัจจัยเพราะนอาเ SI สวณปัจจัย ปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาติปัจจ um ัยเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยขันที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยขันที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้น หนวิปากับปัจจัยเป็นต้นเจ็ดสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะหนวิปากับปัจจัยไม่มีปฏิสนธิเพราะณชาณปัจจัยอาศัยขันหนึ่งที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งสหรตด้วยปัญจวิญญาณสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้น เพราะณชาณปัจจัยได้แก่ขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งสหรคตด้วยปัญจวิญญาณเกิดขึ้นเพราะนณมคราปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับนเหตุปัจจัยไม่มีโมหะเพราะณวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในรูปาลวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้น 2. ปั จ, จยยปัจญจิยะสสังขยาวาระ 8. นัเหตุปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยมีสองวาระนัปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระ ณปัจฉาชาติปัจจัยมีสองวาระนอาศวณัติปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระนาวิปากะปัจจัยมีสองวาระนาชาณะปัจจัยมีสองวาระนามะข้าปัจจัยมีสองวาระนาวิปยุตธะปัจใจมีสองวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยะจบสามปัจญานุโลมะปัจจ尼ยะเก้า นอธิปติปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจใจและถึงมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญญาจบ 4. ปัจญญาปัจญยานุโลม 10. อารมณปัจจัยกับนเหตุตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจใจและถึงมีสองวาระสมานันตระปัจจัยมีสองวาระ มัคคัปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจิญาณุโลมจบปฏิจัวาระจบสหชาตวาระปัจยะวาระนิจยาวาระสังสัทธวาระและสัมปยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจัวาระ